อานามสยามยุทธภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระคนนิกายเป็นมหายุติโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนักองจันพระเจ้ากรุงกัมพูชาทิพดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักองจันหนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านามประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความทิ่แสดง น, นิสฐานในการศึกไทยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่13เจ้าพระยาบดินเดชาทากลอุบายหลอกกองทัพยวน ครั้งนั้นเจ้าพระยาบดินเดชาถอยทัพมาจากตําบลลําราดตาตะโกเดินทัพมาทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดหย่อนสามคืนสี่วันก็บรรลุถึงที่ตําบลหนึ่งซึ่งขเขมรนําทางเรียกชื่อว่าทูนเดิมสแกแปลเป็นภาษาไทยว่าโคกต้นสะแกเจ้าพระยาบดินเดชาสั่งให้หยุดทัพ พักพลที่ตำบลโคกสแกเพื่อจะตรวจค่ายไม้ไผ่ที่สั่งให้พระยาราชสงครามกองหน้าทำไว้ที่นี่แล้วจะตรวจดูกลอุบายซึ่งบุตรชายทาไว้ที่ตำบล น, นี้เป็นคำรับสามคือขุดใต้ค่ายไม้ไผ่เป็นรองรอบค่ายแล้วนำถังดินปืนลงฝังรอบค่ายและนำปืนใหญ่ที่บรรทุกหลังช้างมานั้น ลงฝังไว้ใต้แผ่นดินรอบค่ายแต่บรรจุลูกดินเกินกับสัดส่วนจนเหลือกาลังปืนจะทนไม่ได้ถ้าถูกไฟเมื่อใดปืนใหญ่นั้นก็จะแตกทําลายออกเป็นภาคหน้อยภาคใหญ่จะกระเด็นออกไปโดยไกลทําลายล้างของปืนใหญ่ให้หักพังได้มากแล้วล่ามฉนวนตามถังดินปืนและปืนใหญ่ที่ฝังไว้ใต้ค่ายนั้นให้ชนวนขึ้นมาบนพื้นค่าย ขึ้นตามเตาไฟหุงข้าวเก่าๆในค่ายนั้นทุกแห่งและขึ้นตามหลุมที่นำรังแตนรังตอซุ่มซ่อนไว้ในหลุมนั้นทุกหลุมถ้ายยนเข้าไปในค่ายคงจะหุงข้าวกินที่เตาไฟเก่าทุกเตาเพราะมีฉนวนอยู่ใต้เตาไฟไฟก็จะติดดินปืนขึ้นเพื่อจะให้หยยนนำไฟเผารังตอรังแตนไฟจะได้ติดชนวนในหลุมนั้น ไฟชนวนจะแล่นไปติดตามปืนใหญ่และถังดินปืนด้วยจะได้เกิดการกำปนาแตกระเบิดขึ้นมาทำลายล้างผลาญสังหารชีวิตยวนให้ตายสิ้นทั้งในค่ายและนอกค่ายต้องตายทั้งหมดและจัดการทำกลอุบายอย่างอื่นอีกมากหลายอย่างที่ตรงนี้เป็นที่สำคัญที่จะเอาชนะแก่ค่าศึกยวนที่นี่โดยความคิดนั้น ขันเจ้าพระยาบดินเดชาเห็นบุตรชายทำกลอุบายไว้สมดังที่สั่งนั้นทุกประการแล้วก็เป็นที่ยินดีเป็นที่สุดตามประสงค์เจ้าพระยาบดินเดชาหยุดพักอยู่ในค่ายไม้ไผ่นั้นถึงสามวันแล้วจัดการเพิ่มเติมลงอีกใหม่คือทำจังหันเกราะและประตูค่ายนั้นผูกขุนเป็นทหารรักษาประตูรอบค่ายแล้วเสร็จก็เดินทัพออกจากค่ายนั้นต่อไปให้พระยารามคาแหงอยู่รักษาค่าย ฝ่ายยวนเห็นมื่นหานทัพม้าไทยหนีไปแล้วพวกยวนกองหน้านั้นก็เดินทัพต่อไปเอาไม้ง่ามสักแผ่นดินเป็นแถวๆไปข้างหน้าเสมอไม่หยุดหย่อนจนถึงตำบลลำลาดตาตะโกที่ไทยทํากนอุบายไว้นั้นยวนกองหน้านําไม้ง่ามสักแทงไปพบหลุมที่ไทยทําอุบายไว้นั้นแล้วจึงมาแจ้งความกับแม่ทัพยวนทั้งสองแม่ทัพยวนทั้งสองจึงพูดว่า สติปัญญาแม่ทัพไทยทำตนอุบายสองครั้งแล้วเหมือนปัญญาเด็กอมมือแต่อุบายเช่นนี้โยนไม่ต้องที่จะตายเลยจะตายก็แต่โยนที่หูหนวกตาบอดพูดเท่านั้นแล้วสั่งให้พลทหารไปตรวจดูให้ตัว่วว่าจะมีสักกีหลุมถ้าพบแล้วให้เปิดขึ้นเก็บเอาหอกแล้เหลาในหลุมขึ้นให้หมด จะได้นําไปตามค่าฟันแทงพวกมันที่ทํากลอุบายนั่นเองครั้งนั้นทหารหยวนพบหลุมแล้วก็เปิดขึ้นดูทุกหลุมก็ไม่พบเห็นเหล่าและหอกแต่สักอันหนึ่งพบแต่รังต่อรังแตนรังพึ่งอยู่ในหลุมซึ่งไทยหักรังต่อรังแตนมาทิ้งสะสมไว้ในหลุมเป็นอันมากเมื่อเปิดหลุมขึ้นดูนั้นก็เห็นแต่ตัวต่อแตนพึ่งก็บินออกจากหลุม ไปต่อยกัดพลกองทัพยวนเจ็บป่วยกว่าร้อยคนเพราะฉะนั้นกองทัพยวนจึงช้าไปนานไม่ได้ยกติดตามกองทัพไทยไปให้ทันท่วงทีโดยเร็วทหารนําข้อความที่ในหลุมไม่มีหอกเหลาแหลนมีแต่ตัวต่อแตนไปแจ้งแก่องค์กวางโดยองค์ลําโดยแม่ทัพยวนแม่ทัพยวนได้ทราบดังนั้นแล้วจึงพูดว่า ความคิดกลนอบายแม่ทัพไทยที่ทำไว้ณตะ บ, บนหนองปลือครั้งแรกนั้นเราเห็นว่ามีหอกหลาอยู่ในหลุมทำให้คนตายได้บ้างจึงว่าความคิดแม่ทัพไทยครั้งนั้นเหมือนอย่างเด็กอมมือนั้นเราว่าสูงเกินไปสักหน่อยแต่ความคิดแม่ทัพไทยทำกลนอบายไว้ณตะ บ, บนลำลาดป่าตะโกนี้เราเห็นว่าเหมือนความคิดเด็กในคันดูดสายรดุดกัน ฉะนั้นไทยไม่มีที่จะกะเกณฑ์ขอแรงมนุษย์มาช่วยรบได้จึงไปขอแรงพวกแทนต่อพึ่งมาช่วยรบ ก, กับยวนพูดดังนั้นแล้วก็สั่งให้เดินทัพเป็นลําดับต่อไปตามไทยให้ได้ครั้งนั้นกองทัพหน้าฝ่ายยวนพบพวกไทยกองพระยาอัศดาเรืองเดชป่วยไข้เดินเรื่อยลาช้าอยู่ตามทางชายป่านั้นพวกยวนเอาดาบฟันไทยตายต า, ยตามทางเป็นกองๆอง บางก็พา อ, อกและตัดแขนตัดขาทาสาหัส ด, ด้วยความแขนเคืองแก่ไทยยิ่งนักบางทีพวกยวนพบศพไทยตายด้วยไข้ป่าอยู่ตามทางป่านั้นยวนก็นำหอกดาบแทงฟันถูกศพทุกศพยวนทาดังนั้นเป็นสองในในหนึ่งเป็นความโกรธแขนเคืองไทยในหนึ่งอย่างทมเนียมยวนถ้ายกทับไปพบศพข่าศึกที่ตายอยู่โดยไม่มีบาดแผลคมอาวุธแล้วจาเป็นที่ทหาร ต้องนาอาวุธแทงฟันศพให้มีรอยบาทแผลเพื่อจะแสดงอำนาจของกองทัพว่าได้ค่าค่าสึกตายมากเป็นแบบอย่างของกองทัพยวนแต่โบราณมาครั้งนั้นกองทัพยวนฝ่ายหน้าเดินกองทัพมาถึงกลางท้องทุ่งเป็นที่เตือนล่งแห่งหนึ่งที่ทุ่งนั้นทม เ, เรียกชื่อว่าวานทมแวงชางไงแปลเป็นภาษาไทยว่าทุ่งใหญ่กว้างขวางไกล จุดตาคนเป็นทุ่งเตือนครั้งนั้นกองทัพยวนเดินทัพมาพบทันกองทัพพระยารามคาแหงซึ่งเจ้าพระยาบดินเดชาแต่งไว้ให้เป็นกองทัพลังหลังกองทัพลังหลังได้กลับหน้าไปสู้รบ ก, กับยวนที่กลางท้องทุ่งใหญ่ในเวลาเช้าจนถึงเที่ยงผลทหารไทยน้อยกว่ายวนยวนก็ยิงแทงฆ่าทนทหารไทยตายเป็นอันมากฝ่ายพระยารามคาแหงนายทัพหลัง เห็นว่าคนไทยน้อยจะต่อสู้รับรองกับยวนไม่ได้แล้วจึงสั่งคนไทยสอยทัพมาเข้าค่ายไม้ไผ่ที่ตำบลโคกสแกซึ่งพระยาราชสงครามกองทัพหน้าทำขึ้นไว้นั้นแล้วพระพรหมบริยักษ์บุตรเจ้าพระยานรินเดชาได้ทำอุบายไว้ที่ใต้ค่ายนั้นด้วยครั้งนั้นแม่ทัพยวนกองหน้าก็ขับผลทหารให้ยกไล่ตามกองทัพพระยาราคาแหง ติดหลังท้ายพลไพไปทีเดียวพยารำคำแหงาพาไพรพลเข้าไปในค่ายได้แล้วก็ปิดค่ายรักษามั่นญิงปืนโตอตอบกับยวนอยู่ตามธรรมเนียมศึกสู้รบกันทำให้ยวนเห็นจริงว่าเป็นค่ายมั่นจริงๆมิใช่ค่ายกลอบายล่อลวงหลอกหลอนค่า ย, ยวนทำการรักษาค่ายดังประหนึ่งว่าจะตั้งอยู่สู้รบกับยวนช้านานเพื่อจะไม่ให้ยวนมีความสงสัย จะได้เข้าในค่ายให้หมดทุกทัพทุกกองครั้งนั้นเจ้าพระยาบดินเดชาเดินทัพออกจากค่ายไม้ไผ่ที่ตาบลโคกสแก่มาไกลแล้วจึงสั่งให้หลวงขเชนทามาศกับหลวงเทเพนทรขึ้นม้าเร็วคุมพลทหารม้าหกสิบาไปสือราชการทัพยวนที่ใกล้ค่ายโคกสแก่กลับมาแจ้งความว่าได้เห็นทัพยวน่องหน้า ยกมาเต็มทองทุ่งใหญ่โคกสแกแต่นายทหารม้ายวนขี่ม้ากั้นร่มระยาแดงเดินกำกับทหารเรลวมานั้นแลลดูร่มยวนแดงไปทั้งทองทุ่งแล้วขับพลไพร่ไล่กองทัพพระยารามคำแหงมาจนถึงหน้าค่ายโคกสแกแต่พระยารามคำแหงล่าถอยเข้าค่ายได้เมื่อเห็นการดังนี้แล้วจึงกลับมากราบเปลี่ยนเจ้าพระยาบดินเดชาเจ้าพระยาบดินเดชาทราบความว่า ยวนยกทัพใหญ่เพิ่มเติมอุดหนุนมาไล่ตีทัพไทยนั้นยวนจวนจะเข้าในค่ายไทยดังนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักเพราะว่าจะสมความคิดที่จะฆ่ายวนที่ตามมาให้ตายทั้งสิน้นแล้วยวนพวกหลังจะได้เหตขยาดยำเกรงความคิดไทยบ้างถึงมากว่ายวนจะยกเพิ่มเติมมาติดตามตีกองทัพไทยที่ล่ามายังเมืองคำแห น, นั้นเห็นว่ายวนจะไม่กล้าสามารถตามมาอีกเป็นแน่แล้ว ครั้งนั้นเจ้าพระยาบดินเดชาสั่งให้ผลทหารช้างมาผลนิกายถวยหารเดินทัพเป็นลําดับไปหลายวันถึงคลองเก่าแห่งหนึ่งเป็นลําคลองกว้างใหญ่ลึกคดเคี้ยวขวางทางที่จะเดินกองทัพไปนั้นด้วยขมิ้นนาทางแจ้งความว่าคลองนี้ชื่อเพลอังคดีกระห่มแปลเป็นภาษาไทยว่าคลองแคแดง เจ้าพระยาบดินเดชาสั่งให้พระพิทักษ์บดินทรนขมิญเมืองพระตะบองไปตรวจครองนั้นว่าจะมีที่ข้ามได้ที่ใดบ้างพระพิทักษ์บดินกราบเรียนว่ามีที่ตื้นเป็นท่าข้ามอยู่แห่งหนึ่งขมิญเรียกชื่อว่าระพังโพนแปลเป็นภาษาไทยว่าท่าหน้าวัดมะกอกท่าหน้าวัดมะกอกนั้นอยู่ห่างไกลทางจะไปเป็นทางอ้อม เลียตตามลํำคลองโค ง, งคดวงไปเวียนมาฉานานนักถึงจะถึงท่าวัดมะกอกที่ตื้นจึงจะข้ามได้เห็นว่าจะหนียวนไม่ทันเป็นแน่เพราะที่ท่าวัดมะกอกจะข้ามนั้นโค้งกลับลงไปหาทางที่ยวนจะตามมาด้วยขอพระราชทานให้ทําสะพานเรียกข้ามครองที่ตรงนี้จึงจะดีจะได้ให้ช้างมาและพลเดินเทา้าข้ามสะพานไปยังฝั่งได้ฝ่ายเจ้าพระยาบรินเดชาไม่เห็นด้วย จึงว่าถ้าจะทำสะพานเรียกข้ามคลองนั้นก็จะช้าป่วยการเวลาอยู่สักสองวันสามวันขันจะเดินไปข้ามที่ท่าวัดมะกอกก็จะเดินไปไกลสัก 5, ้าวันหกวันเห็นว่าจะดียวนไม่ทันทั้งสองทางเราเห็นอยู่แต่จะพาช้างไปงัดคักกอไผ่ที่ริมคลองลากมาผ ส, สมเป็นดังทำนบขวางคลองแต่พอคนเดินข้ามไปได้ ถึงจะต้องลุยน้ำบนทางนบบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะน้ำตื้นน้ำตื้นไม่เปียกผ้าแลเปียกสเสบียงอาหารแล้วเป็นการดีถ้าทำได้ดังนี้เห็นจะเร็วกว่าอย่างอื่นใครจะเห็นประการใดบ้างให้ว่าไปจะช้าอยู่ไม่ได้ไผจะมาถึงตัวอยู่แล้วนายทัพนายกองก็เห็นชอบตามความคิดเจ้าพระยาบดินเดชาเจ้าพระยาบดินเดชาสั่งพระยาวิเศษเมืองสะเชิงเซา ให้คุมกองช้างในพระราชวังบวรไปค้นงัดคัดพากอไผ่ตามริมคลองมาทำเป็นทำนบแล้วสั่งพระยาสุนทรสงครามเมืองสุพรรณบุรีให้คุมกองช้างกองนอกในพระราชวังหลวงไปข้นงัดคัดกอไผ่มาทาเป็นทำนแล้วสั่งหลวงขชัชสิทธิ์ให้คุมกองช้างในกรุงไปงัดคัดกอไผ่ลากมาผูกสะสมติดต่อกันทุกกอง ทำเป็นทานพบข้ามคลองแคแดงได้แล้วตัดต้นไม้มาปักกันกอไผ่ในคลองไม่ให้น้ำพัดพาน้ำกอไผ่กระจายไปได้พอเป็นทํานองพอเป็นทํานองทางคนเดินแล้วเสร็จในครึ่งวันไม่ทันบ่ายเย็นจึงไล่ต้อนคลช้างมาและผลเดินเท้าให้เดินมาตามทางทานพกอไผ่ที่ขวางคลองนั้นข้ามรีพนิกายมาได้ทั้งสิน้นครั้งนั้นโคต่าง มิได้ให้ผูกลูกกระดึงเพราะกลัวจะดังไปถึงยวนยวนรู้ว่า้องทัพไทยเดินถึงนั่นแล้วแต่โคต่างที่ได้มาจากเมืองโจดกและแขวงจังหวัดดวนนั้นไล่ต้อนโคลมาถึงสี่พันหร้อยแต่แบ่งให้พระยากบิบนบุรีและพระยาสมบัติบาลคุมโคสี่พันเดินล่วงหน้าไปก่อนพร้อมกับกองป่วยไขย้ซึ่งพระยาวิชิตนรงคุมไปก่อนแล้วครั้งนี้แต่โคต่างมาด้วยทัพใหญ่ แต่หกร้อยโคเท่านั้นพอบรรทุกสเสบียงอาหารมาบ้างโคต่างหกร้อยนี้ให้พระยาอุทัยธานีคุมเดินไปยังเมืองเชิงกระชุมขันกองทัพข้ามคลองแคแดงมาได้สิ้นแล้วจึงสั่งให้พระยาพระหลวงนายกองคุมช้างทําทํานบนั้นให้นําช้างงัดคัดกอไผ่ทํานบให้แตกออกเป็นส่วนๆน้ำจะได้ไล่พัดพาไปในที่ต่างๆ ไม่ให้ประชุมอยู่เป็นทำนพดังเก่าได้เกรงว่าหยวนจะข้ามที่ทำนพนั้นมาโดยเร็วแล้วสั่งพระยาคำแพงเพชรให้คุมพลทหารหัวเมืองห้าร้อยคนอยู่หลังๆคอยระวังยวนจะไล่พระยารามคำแขงมาจะได้ออกปะทะช่วยป้องกันบ้างถ้าพระยาคำแพงเพชรพบกับพระยารามคำแหงแล้วจะรับพระยาลมคำแหงไว้ในกองทัพเป็นข้าหลวงกำกับทัพพอเป็นพยานในทางราชการทัพสึกก็ตามใจ หรือจะให้พระยารามกำแพงยกมาตามกองทัพใหญ่ก็ตามใจแล้วแต่พระยากำแพงเพชรเถิดแต่ให้พระยากำแพงเพชรหลังทัพอยู่ที่คลองแคแดงนี้เดินทัพมาช้าๆให้คอยฟังเสียงดินปืนที่ฝังไว้ในใต้ค่ายไม้ไผ่ที่ตำบลโคกสแกนั้นด้วยถ้าเสียงดินปืนดังขึ้นสมดังที่เราคิดทำกลอุบายไว้เมื่อใดก็ให้พระยากำแพงเพชรยกทัพกลับไปตรวจ ด, ดู ว่ายวนจะตายหมดหรือหรือจะเหลืออยู่บ้างที่เหลือตายนั้นพอจะจับเป็นมาได้ก็ให้จับมาจะได้ไต่ถามเอาข้อราชการเมืองยวนบ้างถ้าเลยว่ายวนไม่ตายมากยังเหลืออยู่ที่จะแต่งการสู้รบต่อไปให้พระยากำแพงเพชรคิดดูเห็นว่ายวนมากกว่าไทยถ้าเห็นพอจะสู้ได้ก็ให้ฆ่าให้สิน้นถ้าสมคิดดังที่คิดไว้ดังนั้นแล้ว ก็ให้ใช้ขุนนางกรมการขึ้นมาเร็วมาบอกให้เรารู้ความบ้างเราจะเดินทับรอฟังข่าวด้วยถ้าสมดังคิดแล้วเราจะได้มีหนังสือโต้อตอบสั่งไปให้พระยากำแพงเพชรจัดการต่อไปให้เป็นเกียรติยศมีชื่อเสียงแก่พระยากำแพงเพชร บ, บ้างตามสมควรที่มาเหนื่อยมาเน็ดด้วยกันคราวนี้จะได้มีชื่อไปภายหน้าด้วยกันอันหนึ่ง ระยารามคำําแหงแกล้งทําอาการประหนึ่งคนขลาดแล้วก็ล่าถอยหนียวนมาเข้าค่ายไม้ไผ่ที่ทํากลนอบายไว้ที่โคกสแกได้แล้วปิดประตูค่ายเสียสิ้นในค่ายนั้นมีจังหันเกราะปักอยู่แปดมุมค่ายเมื่อลมพัดมากระทบจังหันจังหันก็ดังเหมือนคนตีเกรอะนั่งยามแล้วนําปืนไฟไว้ในค่ายสี่ห้าหกกองให้ควันไฟขึ้นพลุ้งไปบนอากาศ ปราถนาจะให้ยวนเห็นว่ามีควันไฟอยู่ที่นั่นแล้วก็คงจะมีคนไทยรักษาค่ายอยู่แน่พระยารามคําแหงจัดการตามบัญชาสั่งเจ้าพระยาบันินเดชานั้นทุกประการแล้วก็ปิดประตูหน้าค่ายหลังค่ายเสร็จจึงพากองทัพออกหลังค่ายเดินล่า ถ, ถอยหนีรุดรีบมาพบกองทัพพระยากําแพงเพชรตั้งอยู่ที่ริมฝั่งคลองแคดงก็ไปแจ้งความที่ทาไวในค่ายและยวนยกไล่มา ทำทีเป็นหนีออกมาดังนี้ให้พระยากำแพงเพชรฟังทุกประการพระยากำแพงเพชรเห็นว่าพระยาลมคำแหงเป็นขุนนางในกรุงควรจะรับเข้าไว้ในกองทัพด้วยจะได้ช่วยกันคิดราชการและเป็นพยานด้วยกันแล้ว น, นําหนังสือเจ้าคุณแม่ทัพใหญ่ใบอนุญาตให้ดูอยู่ช่วยกํากับทัพหัวเมืองพระยารามคำแหง ก็ต้องอยู่เป็นผู้ช่วยกากับทัพพระยากำแพงเพชรต่อไปตามทางราชการขันยวนกองหน้ายกทัพไล่ติดตามพระยารามคำแหงมาถึงหน้าค่ายไม้ไผ่ที่โคกสแกนั้นยวนไม่เห็นทหารไทยรักษาค่ายตามหัวรบได้ยินแต่เสียงเกราะที่อยู่ในค่ายก็สำคัญว่าไทยแกล้งปิดประตูค่ายทำกุญอุบายไว้จะให้ยวนตรูกันเข้าไปในค่ายไทย ไทยที่แอบอยู่ในสนามเพราะในค่ายนอกค่ายจะได้กรูกันขึ้นมาไล่ยิงแทงข่ายยนยวนคิดดังไม่จึงไม่ได้เข้าไปในค่ายไทยยวนตั้งรั้งรอกองทัพอยู่ห่างค่ายไทยณนะที่ป่ารกแห่งหนึ่งเพื่อจะคอยดูเชิงศึกไทยก่อนขณะนั้นกองทัพองค์กวางโดยอง์ลำโดยแม่ทัพใหญ่ยกมาทันปองหน้าองค์กวางโดยแม่ทัพใหญ่จึงถามองค์ตุนเล่แม่ทัพหน้าว่า เหตุใดจึงมาตั้งรังรออยู่ที่นี่มิได้ยกเข้าไปในค่ายไทยองค์ตุลเล่ตอบว่าเห็นประตูค่ายปิดอยู่ไม่มีผู้คนรักษานอกค่ายแลยหอรกแต่ในค่ายไทยนั้นมีควันไฟปลิวขึ้นมาบนอากาศเสมอและมีเสียงเกราะเคาะตีตรวนตรากันอยู่ดูทีจะมีคนแอบซุ่มอยู่ในค่าย โล่ให้พวกยวนเข้าไปจะได้ระดมกันฆ่ายวนองค์กวางโดยองค์ลำโดยจึงตอบว่าไอ้ขี้ขาดตาขาวมึงเป็นแม่ทัพหน้าเสียเปล่าๆไม่พิจารณาด้วยปัญญาอันละเอียดควรจะพิเคราะห์ดูว่าไทยจะทิ้งค่ายจริงๆหรือทำเป็นทิ้งหลอกแอบซุ่มอยู่ในค่ายมึงจงแลดูบนค่ายไทยก่อนเป็นไร อีกาและนกบินขึ้นลงในค่ายกินอาหารสเบียงที่ไทยทิ้งไว้เอาไปไม่หมดนั้นเสียงอีการ้องอยู่ในค่ายออกแซ่ซิงมึงไม่ได้ยินหรือถ้ามีคนอยู่ในค่ายเหมือนอย่างเอ็งพูดมานั้นอีกาก็จะไม่บินขึ้นลงในค่ายได้แม่ทัพใหญ่ฝ่ายยวนพูดดังนั้นแล้วจึงสั่งให้องตุนเล่ยกปองทัพหน้าเข้าไปในค่ายไทยก่อนในเวลาบ่าย กองทัพหน้าเข้าค่ายได้แล้วก็หาเห็นคนไทยไม่สมดังแม่ทัพใหญ่ว่าซึ่งความคิดเจ้าพระยาบรินเดชาทําอุบายด้วยจังหันกรและสมไฟไว้ในค่ายนั้นเพราะจะให้กองทัพหน้าของยวนสงสัยว่ามีคนอยู่จะได้ไม่เข้าค่ายก่อนกองทัพใหญ่ปรารถนาจะให้กองทัพหน้าอยู่รอกองทัพใหญ่ฝ่ายยวนเข้าไปพร้อมกันทีเดียวจะได้ถูกกลอุบายที่ท่านทําไว้นั้นยวนจะได้ตายพร้อมกันมากๆ ไม่ให้เสียทีที่คิดทำการใหญ่ไว้จะให้แตกแต่กองหน้าก่อนโดยคนน้อยๆหาควรไม่กองหลังคนที่มีมากก็จะไม่ตายพร้อมกันความปรารถนาของท่านทำกลอุบายคิดจะให้ยวนตายเสียทีเดียวทั้งสองกองคนกว่าสองพันคนฝ่ายยวนกองหน้าก็ทำกริยาสมกับความคิดของท่านทุกประการใค่แต่เท่านั้นเมื่อไรเล่ายวนกองใหญ่ก็ยกมาทันเข้าไปพร้อมกันตายด้วยกันหมด ตามที่ท่านคิดไว้ทุกอย่างซึ่งแม่ทัพยวนพูดจาดูถูกดูหมิ่นท่านต่างๆแต่ก่อนนั้นก็ตายด้วยอ่านามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สิบสามเจ้าพระยาบรินเดชาทำกลอุบายโกรธทัพยวนกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป